สงสังฆาทิเศษกันแม่เจ้าทั้งหลายทำคือสังฆาทิเศษส7บสิกขาบทเหล่านี้มาถึงวรระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการก่อคดีพิพาทเรื่องอุบาสกกับภิกษุณีทุลนันธาข้อ678สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี คั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้วถึงแก่กรรมเขามีบุตรสองคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสอีกคนหนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสบุตรทั้งสองแบ่งสมบัติของบิดาบุตรคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสได้กล่าวกับบุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสดังนี้ว่าพวกเรายังมีโรงเก็บของอยู่เอาโรงเก็บของนี้มาแบ่งกันเถิดเมื่อเขากล่าวอย่างนั้น บุตคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสได้กล่าวกับบุตรคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสดังนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้บิดาของพวกเราถวายโรงเก็บของให้ภิกษุณีสงแล้วบุตรคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสได้กล่าวกับบุตรคลที่มีศรัทธาเลือ่อมใสนั้นแม้ครั้งที่สองว่าพวกเรายังมีโรงเก็บของอยู่เอามันมาแบ่งกันเถิดบุตร<บ>คลที่มีศรัทธาเลือ่อมใสก็กล่าวกับบุตรคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสดังนี้ว่า ท่านได้กล่าวอย่างนี้บิดาของพวกเราถวายโรงเก็บของให้ภิกษุณีสง์แล้วบุตรคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสกล่าวกับบุตคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสแม้ครั้งที่สมว่าพวกเรายังมีโรงเก็บของอยู่เอามันมาแบ่งกันเถิด <ś le> ต่อมาบุตรคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสคิดว่าถ้าเราได้โรงเก็บของก็จะถวายภิกษุณีสง์จึงกล่าวกับบุตรคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสดังนี้ว่า ลกลงเราจะแบ่งมรดกกันครั้งนั้นเมื่อทั้งสองกําลังแบ่งกันอยู่โรงเก็บของตกเป็นสมบัติของบุตรคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสต่อมาบุตรคลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสได้เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าเชิญท่านทั้งหลายออกไปโรงเก็บของเป็นสมบัติของกระผมเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ภิกษุณีทุลนันทาได้กล่าวกับบุรุษนั้นดังนี้ว่า เธออยาได้กล่าวอย่างนี้บิดาของเธอถวายโรงเก็บของให้ภิกษุณีสงแล้วทั้งสองฝ่ายโต้เถอยอยียงกันว่าถวายไม่ได้ถวายจึงพากันไปฟ้องพวกมหาามาตผู้พิพากษาพวกมหาามาตถามว่าแม่เจ้ามีใครบ้างที่พอจะรู้เห็นเป็นพยานได้ว่าโรงเก็บของเขาถวายภิกษุณีสงแล้วเมื่อพวกมหาามาตกล่าวอย่างนี้ ภิกษุณีทลนันธาจึงได้กล่าวกับพวกมหามาตย์ดังนี้ว่าพวกท่านเคยเห็นหรือได้ยินบ้างไหมว่าเมื่อจะถวายทานจะต้องมีพยานด้วยพวกมหามาตย์ตอบว่าแม่เจ้ากล่าวจริงจึงตัดสินมอบโรงเก็บของให้ภิกษุณีส่งไปบุรุษนั้นแพ้คดีจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าหญิงชั่วหัวล้นเหล่านี้ไม่ใช่สมณะหญิงฉนันจึงให้ผู้พิพากษารียรงเก็บของของเราเล่า ภิกษุณีทูลรนันทาบอกเรื่องนั้นให้พวกมหาามาตทราบ พ, พวกมหาามาตได้ปรับศีลใหม่เขาบุรุษนั้นถูกปรับจึงให้สร้างที่พักอาชีวกไว้ใกล้ที่อยู่ภิกษุณีแล้วสั่งอาชีวกว่าพวกท่านจงช่วยกันพูดตะโกนใส่ภิกษุณีเหล่านี้ภิกษุณีทุลรนันทาจึงบอกเรื่องนั้นให้พวกมหาามาตทราบ พ, พวกมหาามาตสั่งให้จับบุรุษนั้นจองจําไว้พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามพลธนาว่าครั้งแรก พวกภิกษุณีให้เจ้าหน้าที่รีบรวงเก็บของครั้งที่สองให้รีบสินใหม่ครั้งที่สามให้จองจำคราวนี้เห็นทีจะสั่งฆ่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตนําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าชายในแม่เจ้าทุลนันทาจึงชอบก่อคดีพิพาทเล่าลําดับนั้น